เดินสามได้ใช่ไหนี่เดินสามได้ใช่มฮะแป๊บเดียวเนาะครเอามาหน่อย เกือบตลอดคืนเหมือนกันนะนั่งอยู่ของมองอยู่คนเดียวเนี่ยก็คนเดียวนี่มันไม่สู้นะพระเราเนี่ยพระเราก็ไม่สู้นะให้พรเสร็จอะไรเสร็จหายเหียบหมดเลยนะทําบุญที่บรรพนเนี่ยที่เจดีย์หลวงปู่เขียนเมื่อคืนเนี่ยมีกันเทศรวมทั้งเจ้าคณะภาคเก้าด้วยก็เป็นแปดกัน มดเวลาพอดีเลยตีไม่ให้เกิน1ชั่วโมงแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่ให้เกินหนึ่งชั่วโมงปั้นนั้นก็ปนนั้น้ก็เกินเน 1, ชั่วโมงอาจารย์ธีรศักดิ์อาจารย์ธีรศักดิ์นี่าดไปชั่วโมง0ี่ ยันเหลิมก็ฟาดไปชั่วโมง20กว่าทันสาก็ชั่วโมง10บกว่ายันชินเท่าไหร่ไม่รู้พอยันชินขึ้นแล้วมันใกล้สว่างแล้วมาแดาผ้าคลองไปด้วยล้วยกลับไปแต่ไปหยิบหน่อยหนึ่งหยิบหน่อยหนึ่งก็มาอยู่ตัวดับนังรถมาเนี่ยเอาตลอดเลยรางการนี้อ่อนแอรางการอ่อนแอมากเลยเนี่ย สุดลงเสื่อมลงหมดแล้วสังขาราจรากรม์ราสุดโทมเสื่อมไปสิ้นไปไม่มีอะไรอยู่คงที่ไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมอันนู้นก็เสื่อมอันนี้ก็เสื่อมอันนู้นก็เสืออนนเส่อมทุกสิ่งอยู่รอบข้างตัวเราเสื่อมไปหมดอันนู้นก็เสื่อมอันนี้ก็เสื่อมอันนี้ก็เสื่อม ถ้าจะคิดวัยเจริญก็คือเจริญในวัที่มันเจริญแต่มันจะเสื่อมในวัยที่มันเสื่อมเพราะมนุษย์สัตว์เนี่ยมีอายุไขแม้แต่ต้นไม้เขายังมีอายุไขพืชผ่านสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีอายุไขความยังไม่ถึงอายุไขมันก็ไม่เคยอยู่เท่าเดิมมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนเพเรื่อยเปลี่ยนเพเรื่อย เปลนไปเรื่อยแล้วประกอบไปด้วยวัยเจริญมันก็เจริญขึ้นแต่ภาษาธรรมะท่านว่าแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยท่านไม่ว่าเจริญขึ้นนะท่านบอกแก่ไปเรื่อยแกะไปเรื่อยแก่ตั้งแต่น้ํำใสๆมาเรื่อยๆเป็นน้ําสีแดงๆเป็นก้อนเลือดแดงๆเป็นก้อนเนื้อต่านบอกแก่ไปเรื่อยแกะไปเรื่อยแกะไปเรื่อยท่านไม่ได้ว่าหนุนไปเรื่อยหนุนไปเรื่อยนะท่านบอกแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อย เพราะอะไรเพราะอายุมป็นำกัดเลยสมมติอย่างอ้าวคนนี้ยังมากืบกาสปีเนี่ยพอจะต้นตั้งแต่ต่อมแรกเลยใสๆเนี่ยพุทเรียกเวลา1น่าที2อนาที5นาที10นาที1นวัน2วัน1อาทิตย์2อาทิตย์อาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่ที่หไปเรื่อย15ปี16ปี17ปีแก่ไปเรื่อยพอไปถึง90ปีก็ไปสั่นแหละเสื่อมแล้ว เสือมละนั่นก็เสื่อมอันนี่ก็เสือมัอนนั้นก็เสืออนนเส่อมพอมาถึงตอนนี้เราจะดูเราจะเห็นชัดเราจะเห็นว่าโอ้ร่างกายมันเสื่อม จ, ร, อจริงเนาะใจผู้รู้เห็นว่าร่างกายมันเสื่อมใจมันดูมันรู้ทำโร่ น, นจะทํานี้จะเดินจะโน่นจะนี่จะอะไรจะอะไรอา้าวร่างกายมันสนองไม่ได้แล้ะร่างกายมันทําไม่ได้โอ้นี่ คราวนี้จะไปอินเดียหรืจะไปขึ้นแถวกิจกูดกิจกูดไวหรือเปล่ามาลุงไปคราวที่แล้วเนี่ยอ้หนังหาสาหาัสพอสตึงขาไม่หยุดนะเอาไปจนถึงเหมือนกันนั่นแหละไม่หยุดอโอ้ราไกายบอบช้าไม่ธรรมดามันขนไปรยขึ้นไเรยขึ้นไเรยขึ้นเยขึ้นเรื่อยเกือบกิโลอ่ะขึ้นไปเรืเ ย, ย, ย, ย, ย, ย, ยโขานีนต่ตึงยตึงยตึงยตึงมิตรเพิ่มความตึงเข้าไปเลย ก็ยัไปถึงไอ้ตรงสูงจุดสูงสุดตรงนั้นเออพอไปถึงตรงนั้นนะเราก็หยุดหายใจได้แหละเดินไปอีกสนามันก็จะต่าไปเลยต่ำไปเลยต่ำไปเลยต่ำไปเลยอะไรเสมอเสมอไปขึ้นอีกน่าจะขึ้นจะขึ้นที่ประคันธวุณีนะขึ้นอีกเขากิจกูดเนะขากิจกูดเมื่อราชครึ่ <c oughs> ที่เขากิจกูดหนึ่งที่ทําทุกระกิริยาเนี่ย เขาเรียกอะไรถือ ท, ทำทุกรกรกิกริยาเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอยู่ใกล้ๆไปที่บ้านนางสุชาดาแล้วจะมองเห็นนะเขาเรียกอะไรนะ<ม>ดงสรีดงสรีโอ้อันนี้ก็ตึงหนักธรรมดาเหมือนกันชั้นกว่าเขาคิดจะโคดีกว่านี้ชั้นกว่าแต่ระยะมันใกล้กว่าแต่คราวที่แล้วไปแล้วไม่ได้ไป คราวนี้ไปคงไม่มีเพาไม่ได้ไปแล้วคราวนี้คราวนี้คงไม่ได้สมุกสมบันอะไรจะไหลรอกแต่ยังไน้อยๆเขาขึ้นสุขนจะต้องจะต้องเขาจะต้องพาขึ้นแหละไปคราวนีนะ้มีผู้หลักผู้ใหญ่เขาไปด้วยคงไม่ได้ไปทั่วแล้วดูแต่ไปอินเดียก็ไปขึ้นสองสามเครือเที่ยวบินนะจากนี้ไปลงมงุมไบ มุมไบก็คือบอมเบแต่ก่อนชื่อเมืองบอมเบ่เมืองเฉพเมืองเดียวนี่ตั้งยี่สิกว่าล้านนะแข่งเฉพาะเมืองเดียวนะตั้ง20สิกว่าล้านประช า, ากรนะโอ้ยเน่นเมืออรคนเยอะแยะนั้นลง <Okay. S 1> มุมไบแล้วก็เที่ยวดูทรร เป็นสำนักวิปั ส, สนาใหญ่เลยไนมะ่เป็นถ้ำไปคราวก่อนไปคราวที่แล้วเราก็ไปรู้ที่หมอพาไปคราวที่แล้วก็ไปไเที่ยวดูแต่าถ้ำไม่ค่อยงามเหมือนในชั้นใต้โรน่าถ้ำไม่ค่อยงามเป็นธรห้ธรรมร้างธรรมหินไม่ค่อยแข็งแน่ น, ท, น, ท, น, นที่แข็งที่แน่นที่แข็งแกร่งก็มีแต่โจ๊บเป็นเงือบเป็นเงือบเดินดูเดินดูยังไม่รู้ที่จะกลับคืนทำมันเยอะขึน้น เฉพาะพื้นที่อุทยานตรงนั้นเนี่ยเบอกว่าทั้ง10กิโลเมตรคูณ10กิโลเมตรกี่กิโลเมตมีเสือเสือมันลงมาเอาคนเจ้าหน้าที่ดูแลทําอยู่ในนั้นนะเสือมันลงมาเอาเป็นพื้นที่กว้างมากซึ่งอยู่ไม่ไกลเมืองต่างหากนะอยู่ไม่ไกลเมืองอยู่ก็ติดติดกับเมืองมันอยู่ส่วนนึงไปของมานสนะิตารางกิโลเมตรบอมเบสแล้วก็นั่งเครื่องจากบอมเบ่ไปเอารังกะบาด พราะอาจารยใต้โรร า, รามันอยู่เมืองอัรังกาบาดนั่งเครื่องจากอัรังกบาดมาลงบอมเบย์นั่งจากบอมเบย์มาลงเดลีหื อ, อมาลงเดลีหรือพุทธคยามารู้แหละจะมาพุทธคยาหน่าจะนั่งเครื่องเ อ, อ้หน่ายจะนั่งรถหรือ ย, อยังไงแต่ตอนกลับได้ยินว่าไปขึ้นเครื่องเท่เมื่ อ, อไรนะเมืองหลวงเขาเนะี่ะ เมืองอะไรเือือกทเมหลเมือมันเจริญมากนะเมือมันเจริญกหมู่เลยเมืองมันนะนี่ดเาอะไรเมืองเดลีเดลีเดลีเดลีก่าเดลีใหม่เมืองนี้เจริญกัหมู่ กระาทานหนทางอะไรเจริญมากไปไปไปสู้ไปสังเวยทั้งสี่ไม่ได้หรอกไปสังเวยทั้งสี่นี่มันระลึกเป็นสรณะจริงๆระลึกถึงพุทธเจาพระธรระสงฆ์ที่ประสูนยเงี้ยที่จสรู้เงี้ยมันจะเป็นเหตุให้เกิดกุศล สังเวทแท้ที่ยิงสลดสังเวทก็คือทําให้เราเกิดปลื้มปีติทําให้เกิดความเรื่มใส่ทาให้เกิดความศรัทธาทําให้จิตแน่นมั่นคงเบาสบายปลอดโปร่งทุกปรเป็นบุญอย่างหนึ่งแค่แค่ชั่วพริบแค่ช้างกระดิ่งห ง, ห ง, หงหูแลบลิ้นะผู้ที่เจ้ากุลบุตรคิดถึงเราไปสังเวทไปกราบเราทําให้เกิดสังเวทใจ ะจะได้ไปสู่สุขติไปสู่สุขติเลาะพื้นเพพื้นเพย์ของใจตอนนั้นเลยพื้นเพย์มันไม่เหมือนใจธรรมดาเลยมันเป็นใจมันอ่อนมันนิ่มไปหมดมันเป็นนะตอนไหนตอนไหนที่มันไม่เป็นนะ่ะดูมืนมันแข็งกระด้างแต่ความรู้สึกของเราก็เท่าเดิมเหมือนเดิมนะ <c oughs> ยังไป เราที่แล้วนี่ก็ธรรมดาธรรมดาตอนไปกับอาจารย์ที่ยิรัวด์ไปด้วยตอนนั้นโอ้ไปขึ้นอย่างแรงเลที่สารวัโนทยานที่ปรินิพานนะปูอยสนะยังไม่เสร็จเลยตึึบบตึ บ, บ, บ, บ, บ, บขึ้นมาเลยไม่ได้ไม่ได้นึกคิดลงหน้าเลยแหละแต่แต่ก่อนบ้างแห่งบางที่เนี่ยต้องนึกต้องคิด ต้องนึกถึงความนึกถึงความเมตตาของพระพุทธเจ้าเป็นกรณีพิเศษนึกจนเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแท้ที่จริงอะเกิดปลืม้มเกิดปีติเกิดดีดีมันไม่ใช่สลดเสีย อ, อกเสียใจเหมือนอย่างที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาคิดถึงคนตายไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราพูดว่าโอ้มันเป็นปีติอย่างที่มันเกิดขึ้นปีติจนน้ำน้ำหูน้ําตาเลยปดไม่ได้กลั้นไม่ได้ ปากจะส ว, อสวดอะสวดไปไหนแบบแบบแบแ บ, แ บ, แ บ, แ บ, บ, บต้องปลอยจ่ออยู่นั่นแหละจนกว่ามันจะค่อยๆ ค, ค, คลายไปดูปฏิสภาพของใจว่มันไม่เหมือนสภาพใจธรรมดาธรรมดาดนี่คือสรดสังเวสังเวสังเวสังเวสที่บระจ้าทรงตรัสกับสังเวสเวที่บุรพูดถึงสลดสังเวสมันก็ละเรื่องกันะไรแหละก็ละเรื่องอื สลดสังเปรตที่พวกเราสนมากเรามักจะมาระพึงรำพันถึงความทุกข์สลดสังเบรไปจากนั่งเครื่องจากเดลีกับประเทศไทยนั่งเครื่องสองสามต่อ